ต้องเจดิฐานเอา น, นาเอาใครเอาเราอย่าปล่อยให้ใจมันต้งองรอไปที่อื่นนะจ่อใจมาให้อยู่ใอยู่กับความรู้สึกในใจของตัวเองตลอดอย่างั้นปัญหาที่ลองไม่เจอนะมันร่อนหาที่ลองไม่เจอจ่อตรงไปที่มันรู้นั่นแหละพอมอยู่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ ย้ำไปประคองให้มันต่อเนื่องไปทำความสงบทํายังไงก็ได้อย่าให้ตัญหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้อันนี้สําคัญที่สุดยามคิดอบายคิดวิธีการปกป้องแม้มันมาแทรกในหัวใจของเรามีวิธีวิธีเดียวนี่แหละที่จะกั้นกระแสที่ชั่วร้ายมาแอบมาเล่นใจเล่นงานของเราเนี่ย ทำไเราจะมีความนึกคิดจะมีสติปัญญารู้เท่าทันในสิ่งที่มันเหนือเราที่เราเป็นทาตุข้อมันมายาวนานเนี่ยตัวนี้เราควรพิจารณาเห็นให้เข็ดให้ลาบทานก็เป็นทานก็เป็นเครื่องช่วยเสริมทานก็ช่วยส่งเสริมให้กำลังใจเพราะการให้ทานนั้นมีผลให้เรามีอยู่มีกินไม่อดไม่อยาก แต่ก็ช่วยส่งเสริมมาตกลงมาในภาชนะเดียวกันกัวใจของเราเราให้ทานไปการให้ทานนั้นมันเป็นผลของใจใจเสียสละใจให้ทานผลอันิสงส์จากการที่ใจเราเสียสละดังที่บอกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้หนึ่งได้หนึ่งให้สองได้สองมันให้ผลร้อยเท่าพันถวิแวปเบี้ยวทลิ่ยให้ผลให้ผลให้อันิสงส์ยาว ยืดยาวว่าแต่ว่าเราตั้งตนไว้ไว้ชอบตั้งตนไว้ถูกตั้งตนไว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธามันจะประทับจิตประทับใจของเราส่งผลเราไม่ส่งผลไปไม่มีไม่มีไม่มีขอบขอบเขตไม่มีประมาณเราพิจารณาแล้วมันก็ตกเป็นกําลังตกหลึกมาเป็นกําลังในหัวใจของเราผู้ที่ให้ทานนักทานง่ายๆอ่ามันก็ได้ผลง่ายๆ ผลของการให้ทานนั้นมีผลมีอันดีสงในระหว่างที่เราเป็นอยู่ในวัฏสงสารเกิดพบกไหนชาติไหนไม่หมดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่จนมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยทำให้ชีวิตของเรานี่ไหลเลื่อนไหลลื่นคล่องตัวไม่ติดซ้ายจิตขวาติดหน้าติดหลังหยับนู่นก็ติดขยับนี่ก็ติดหยับอะไรก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมด หัวใจของเราที่มันเฟืเ่ฟเสื่องเพราะอันนี้แล้วก็ตัวที่มันเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้คืออะไรคือเจ้าตัวเดียวเนี่ยเจ้าจอมเจ้าการนเนี่ยเจ้าพบเจ้าชาติเจ้าบุตรเจ้าบาทมัดเอาไว้ในวัฏสงสาร ค, คืออำนาจของความอยากอยากอะไรอยากอยากเอาไว้บริโภคอยากเอาไว้ใช้โดยส่วนตัวผู้ตัวเองแต่ถ้าเราเสียสละไปแล้วนี่มีผลมีนิสงอยู่ เกิดเพื่ออำนาจของความอยากมนันมาปิดกัน้นทาให้เรามองไม่เห็นผลไม่เห็นอา น, นิสงส์ในการให้ถึงว่าให้ไปแล้วก็หมดไปสิ้นเปืองไปมองให้เหมือนกับปราดบัณฑิตท่านมองภูติย่าท่านเป็นปราดบัณฑิตท่านมองมองทะลุไปเหลือคําสุดท้ายจะเข้าปากเนี่ยมีคนยังขัดตกบกบลองมานี่ให้เขาอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการให้เขาหนามากกว่าเข้าปากของตัวเอง เพราะผู้ที่เข้าถึงทำเห็นทำไปแล้วนี่การให้ทานเนี่ยไหลเรื่อยอยูคร่องบุถึงอนัตถะวิตกัเสียติให้จนจนจนจนหมดทรัพย์จ น, จนทุกจนจนทรัพย์มันทุกมันจนมันหมดมันไปแต่ว่าผลจากการให้ทานอี่อานิสงส์ยิ่งใหญ่มากหมายมหาศาลพิจใจหยับหยาบให้ไม่ได้จิจัยจต้องละเอียดมองเห็นมองให้ทะลุถ้าเรามองไม่ทะลุเนี่ยมันจะหนีฉีเหนียวอยู่นั้นแหละมันไม่ยอมไม่ปล่อยหรอก มันให้เรากำอยู่นั้นแหละอยากอยากอยากอยากมีความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นเพื่อตนเพื่อตนเพื่อตนบอกจากนั้นเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่ออะไรก็ตามคอยเป็นพลังที่เราให้ให้สมหยากให้สนใจของเราไม่ได้คำํำนึงถึงผู้ที่จะมารับแต่ถ้าเรามองให้สรุปไปไม่มีประมาณผู้ที่จะมารับไม่มีประมาณ ไม่มีขอบนน่มีเขตเพรนั้นนิสงยิ่งใหญ่ไพศาลแปลกนะอนิสงละลิศดูให้สะลุดูใหออกถ้าดูไม่ออกเราก็จะมีทีเนี้ยอยู่นั่นแหละจนสามารถเสียสละอารมณ์ที่ร้ายกาดอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ที่เกลี้ยกลาอมโมหท้อโสหนึ่งไว้ใจของเราพฤติกรรมที่ห ย, ยาบหยาบที่เคยแสดงออกมาแล้วสะใจสนใจเราจะละออกเห็นทุกเห mm ็น hmm. โทษเห็นไฝแล้วละออกวาง เขยียบเข้าไปขเขีขย่ยบเข้าไปสิ่งที่มันเคยมาโจมตีงานเล่นงานเราได้หาไปนในฉากเลียวกันในหัวใจของเราเนยมันเป็นความเร็วๆในใจของเราเนี่ยแหละที่มันคอยแอบมาเล่นงานของเราแท้จริงการปฏิบัติทางนี้มันเป็นการปฏิบัติขัดเปลากันไปในฉากเดียวกันความดีเกิืขึ้นจากกันปรับสภาพที่ไม่ดีให้กลายเป็นดี ในไว้ใจของเราเรามีความข้องใจสงสัยอะไรตรงไหนแล้วจอมาไว้ใจของเราอยู่แค่นี้กันนี่แหละไม่งั้นมันสับสนหาที่หลงไม่เจอหลงไปเรื่อยหาที่จับไม่เจอหาที่ยุดติไม่เจอร่อนหาที่หลงไม่ไม่ได้พอจอมาที่เราหาที่หลงในคณะเดยียวกันเขาเป็นการเรียกร้อง ความรู้สึกตืน่นตัวที่หลวมเพราะ พ, พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาไม่หลับไม่จมไปกับสิ่งฝ่ายตามมัดกดตามเราลองทำความสงบไปสักสิบยี่สินาที บรรยากาศดีแต่ละเดอนลาน้อยอืมน้อยแล้วไปตรงไหนก็มาจดจอไปเรื่อยๆเป็นโอกาสมาตลอดรับกรกลาบแล้วเรียนดีสารอบแล้วกเข้าประจาอ่าตลวงพ่อร